พระธรรมเทศนาแผ่นที่72ลำดับที่11อโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าพระอรหันตานิพพานวันนี้เป็นวันที่ส3สา กันยายนพุทธศักราช2557เป็นวันเสาร์ที่เราออกมาฉันที่ศาลานอกถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์และวันพระในพรรษาออกมาฉันข้างนอกเพราะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมาวัดอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ ช่งนี้เป็นช่วงกลางพรรษาอีกเดือนไม่ถึงเดือนก็เป็นวันออกพรรษาเมื่อกี้นี่ยก็เป็นวันเดือน10บเป็นผ่านมาแล้วแล้วก็เดือนกันยาเดือนตุลาวันที่12ตุลาเป็นวันอาทิตย์12ตุลาห้าเจ็ที่ป้ายอยู่ที่หลังหลงพ่อเนี่ยเป็นวันทอดกรินวัดของเราหนะ้า ศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนแต่กระถินปีนี้เป็นกระถินพิเศษหลวงพ่อได้ประกาศเมื่อวันเดือน10เพนบอกว่ากระถินปีนี้จะตุกปัจจัยที่ได้มาในงานกระถินพวกเราจะรวบรวมเพื่อสร้างเกีดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพราะวันที่ที่ทุนกระหม่อมฟ้าหญิงมาประกาศบอกว่า เราจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแน่ในวันนั้นวันที่30ตุลา55หลวงพ่อก็ได้รับประกาศให้สาธารณชนได้ทราบว่ากลุ่มของหลวงพ่อเนี่ยกลุ่มวัดปานาคําน้อยเนี่ยรวมศิทธิอนุสิทธิทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาในครั้งนี้ วัดของเรากลุ่มของเราเนี่ยจะรับมา50ล้านบาทหลวงพ่อได้ประกาศในที่สาธารณะเขเพราะเหตุอะไรจึงประกาศในวันนั้นก็เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยรู้ว่าจะตุปใจที่เราจะเปิดโครงการเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่มันเป็นเงินไม่ถึงในวันนั้นหลวงพ่อจำไม่ผิดก็ประมาณ8ปล้านแต่ว่าทางหลวงพ่อกระซิบประซาบ ผู้ออกแบบเจดีนี่กี่เท่าไหร่ประมาณ4 500ยล้านแหละขนาดยังเป็นโครงการแรกแต่หลวงพ่ออูถ้าเป็นลักษณะนี้ใครจะเป็น ผ, ผู้กล้ามาเซ็นสัญญากับผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะกล้าเซ็นสัญญาใครจะเป็นคนเซ็นสัญญาออพอราคาถึงขนาดนี้จะหาเงินมาจากที่ไหนแต่นั้นหลวงพ่อก็เลยเอ้าว ในฐานะสิทธิ์ที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์ต้องแสดงความเคารพทักการะอามิจบูชาในองค์หลวงตาเอ้ากลุ่มของเ่ารับ50าล้านบาทแต่ถ้าว่ามีผู้ใจใหญ่อย่างหลวงพ่อลูกศิษย์หลวงตานะมีผู้ใจใหญ่อย่างหลวงหลวงพ่อเนี่ยสัก20องค์แค่จัตใจญาติโยมบวกบวกดูกสิว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ หลวงพ่อบอกพันล้านนยี่สิบองค์เท่านั้นแหละคนละห้าสิบใช่ไหมนี่แหละหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นแต่ตอนนี้พอต่อมาแนละ้วก็จะตุปปัจจัยก็งอกเงยนะทีนี้นะเมื่อหลวงพ่อประกาศไปแล้วจะตุปปัจจัยก็งอกเงยงอกเงยเดี๋ยวนี้จะตุปปัจจัยที่เขาประกาศออกมาที่วัดป่าบ้านตัดสายแปดสิบกว่าล้านฮแล้วปัจจัยอยู่กับทุนก็หม่อมที่อ คุณสมบัติเฉลอมุตินันเอเซียโกเทนไร้ถวายทุนกระหม่อมเมืแ่อบบวั น, น, นครบที่วางสิเดลเลิกวันนั้น1น0่ล้านก็คงจะมีคนถวายทุนกระหม่อม อ, มอีกเป็นส่วนหนึ่งอีกบางส่วนสรุปแล้วเรยวนี้ก็ประมาณนี้แหละประมาณ4 5 0 0ล้านคิดว่านะเพราะนั้นกลุ่มของเรานี่ที่ได้พูดออกไปแล้วลูพอพ่อเออ ในเมื่อสองสปีที่ผ่านมาเจดีของหลวงตาก็ยังไม่ขยับแต่บัด น, นี้ขยับแล้วนะเมื่อในเมื่อเจดีขยับเพราะว่าพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรลูกสาวของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงได้มาตรวจดูพื้นที่ที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่สสิงหาและแต่งเสด็จกลับวันที่6สิงหา พระ อ, องค์ท่านก็ได้เสด็จมาที่วัดของเราหลวงพ่อจึงได้รู้เรื่องถามไทยในคณะผู้ทีมงานของพระ อ, องค์ท่านก็คือคณะหมาอาจารย์มหมาวิทยาลัยศิลปกรก็ทร า, า, า, า, า, าบทราบว่าอีกไม่นานคงจะปีนี้แหละคงจะลงมือสร้างที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อเออเอากลุ่มกองเราในเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพวกกลุ่มกองเราก็ควรจะขยับยควรจะขยับตัวละ่ะ เพราะนั้นเอ้าปีนี้ปี5 7าเนี่พวกเราควรจะร่วมกันทอดกระถินสามคัคคีจึงได้มากไปน้อยก็ไม่ว่ากันแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อพวกเราก็ทำบุญอยู่แล้วทุกปีคนละมากคนละน้อยแต่ปีนี้เป็นปีพิเศษน้อยก็คือพวกเราจะร่วมกันสร้างเกดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาแต่ถึงยังไงทุกคนหลวงพ่อประกาศเลยไม่ต้องหนักใจ หลวงพ่อโพูดยังไงให้ทุกคนไม่ต้องหนักใจทำด้วยความสบายใจแต่ถึงยังไงควรจะทำถ้าเรามีลูกหลานสี่ห้าหคนสิคนควรจะมีส่วนร่วมคนละหบาท1ิบบาทเพื่อสร้างเจดีย์บูชาพระคุณหลวงตาจะเป็นบุญเป็นกุศลต่อตระกูลของพวกเรา ถ้าหากว่าเราไม่ทํำจะเลยก็ไม่ว่าลุงพ่อก็ไม่ได้ว่าทําไม่อยากจะได้บุญก็ไม่ว่าถ้าอยากจะได้บุญเออมามาร่วมสมทบเงินทุกบาททุกสต า, างค์เราก็จะมาเก็บเข้าเป็นกองทุนรวบรวมเอาไว้ในเมื่อท่านจ่ายงวดที่หนึ่งเป็นเงินเท่าไรเราก็สมทบเข้าไปงวดที่หนึ่งพองวดที่สองที่สามเราก็จะสมทบเขาเรื่อยเรื่อย จนครบห้าสิล้านบาทแต่ถ้าท่านมีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านมีอยู่แล้ว เ, เงินของเราก็เอา้าได้มาหลวงพ่อก็ยังมาคิดอยู่ว่าเนี่ยที่วัดป่านาคําน้อยของเราก็น่าจะมีพิพิธภัณฑ์ขึ้นม า, เ, าเพื่อประกาศแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาสร้างที่วัดป่านาคําน้อยที่หลวงพ่อได้ประกาศเมื่อวันที่27 เมษายนที่วันเกิดหลวงพ่อประกาศจุดตรงนี้แหละบอกว่าสัทายาญาติโยมว่าวัดป่าบ้านตาดไม่ได้สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขึ้นช้าพวกเราเอาขึ้นจุดนี้ไหมที่วัดป่านาคำน้อย1 3น0กว่าไร่หลวงพ่อให้ได้ทุกแข่งเลยไม่ต้องทะเลาะกันตรงไหนเอาได้ทั้งหมดเห็นด้วยไหมสัทธาญาติโยมก็ยกมือเพื่อ ทั้งสาธุด้วยตั้งให้ยกมือด้วยก็เห็นด้วยกันเพราะนั้นจะตุก ป, ปัจจัยที่เราเอาถวายองหลวงตาถ้าหว่าเงินมันเหลือเจดี JD มันเหลือจะทายาทโยมลงจุดนั้นมาก เ, เราอาจจะเอามาสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ที่วัดป่านาคามน้อยของเราก็ได้เพราะเห็นอะไรเพราะมันเป็นอันเดียวกันคือสร้างบูชาพระคุณหลวงตาเหมือนกันนะเพราะนั้น ไม่ผิดกติกาหลวงพ่อว่านะถึงจะว่าสร้างวัดป่าบันดาเกิเสื่องสร้างถวายองค์หลวงตาถึงจะมาสร้างที่นี่กิสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตานี่แหละอันนี้ขอประกาศให้คณะทศไทาญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบแล้วก็บอกต่อๆกันด้วยพวกเราขยับตัวแล้ปีนี้รวมตัวกันเพื่อจะสร้างเจดีย์แต่เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทราบ ว่าเขาคงจะสร้างอยู่3ปีนะคณะทศไทยญาติโยมเขาบอกว่าจะใช้เวลา30เดือนในการก่อสร้างตั้งแต่เซ็นสัญญานะแต่หลวงพ่อเออเอาเตอร เ, เซ็นสัญญา30เดือนหลวงพ่ อ, อบวกกัอีก6เดือนอ2อปีก็แล้วกัน12บสองหครับลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นนะนอันนี้ก็คอยฟังแต่ถึงยังไงพวกเราก็คนจะขยับเนีย่ยเตียบตัว ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราจะได้จ่ายปัจจัยเราก็จะได้ร่วมสมทบเข้าไปเป็นแ ต, ะละตะละ่ละครั้งแต่ละครั้งจนถึงครบกำหนดอันนี้ก็ขอบอกกล่าวนะและก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่พวกเรามาใส่บาตรร่วมทำบุญเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจก่อนที่พวกเราหรือก่อนที่พระพุทธเจ้า จะได้เป็นพระพุทธทเจ้าหรือพระรหารศาวกท่านไม่ใช่ว่าท่านทําวันเดียวนะขณาตถา ญ, ญาติโยมท่านก็เก็บหอมรอมริบอยากพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละ เ, เกิดมาพบในชาติใดได้พบพระพุทธศาสน า, าได้พบคุณงามความดีได้พบบัณฑิตนักปราชญ์ได้พบผู้นําที่ดี เ, เกิดมาพบนั้นชาตินั้นก็ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับโลก ได้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจแต่เกิดมาพบใดชาติใดไปเป็นนักเลงหัวไม้ทําชั่วทุกอย่าง เ, เกิดไปพบกับพนภาลชนทําความชั่วเกิดมาพบนั้นชาตินั้นกับเปล่าประโยชนเ์เกิดมาทั้งชาติมีแต่ทาความชั่วตลอดทั้งชาติตายไปก็ขาดทุนในชาตินั้นแต่ชาติไหนที่เกิดมาแล้วพบคุณผู้นําที่ดเีเป็นผู้มีศีลมีธรรม พบบัณฑิตนักปราชญ์พบนั้นชาตินั้นก็ได้ประกอบคุณงามความดีชาตินั้นไปว่าได้กําไรนี่แหละเราเกิดมาเราจะบางทีเราจะไปกรรมมันพาไปกรรมพาไปไปแล้วบาง ท, ไทางีไปเกิดในที่ดีบ้างไปเกิดในที่เเลวบ้างเพราะกรรมพาไปเกิดเพราะฉนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วกัน มันฝืนยากนะ ช, นชุมชนกลุ่มไหนมันไปทางไหนมันก็ไปตามชุมชนในกลุ่มนั้นๆเมื่อเราไปเกิดในกับกลุ่มภารชนภารชนก็ชักนําไปในทางชั่วถ้าเราไปเกิดในกลุ่มบัณฑิตนักปราชญ์คนประกอบคุณงามความดีเราก็ประกอบคุณงามความดีไปตามนี่แหละขาดทุนกําไรชีวิตพวกเราไม่ต้องดูดูไกล ดังนั้นทั้งชีวิตของพวกเราที่เกิดมาในภพนี้ชาตินี้แหละให้พวกเราตรวจตราดูทีนี่ตัวของข้าพเจ้าเองเกิดมาทั้งชาติอายุถึงขนาดนี้แล้วขาดทุนลึกขาดทุนหรือกําไรเราได้กําไรชีวิตหรือเราขาดทุนนี่แหละขอให้พวกเราตรวจตราดูอันนี้แหละคือหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาแต่เมื่อกี้นี้ เ, เมื่อไม่นานมานี้พวกเราก็คงได้ยิน ในสื่อนะหลวงพ่ออยู่ในป่าเพราะมันเกี่ยวกับพระนะเกี่ยวกับพระพระเขาก็มาพูดมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยมีพระผู้มีอายุท่านจะท่านจะละสังขารฮะพวกเราก็คงจะได้ยินพูดเพียงแค่นี้ก็ น, น่าจะเพียงพอแต่ว่าการละสังขารในะในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีไหมมี ยกตัวอย่างหลวงพ่อจะยกตัวอย่างสองตัวอย่างให้ฟังคือมีพระลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเถระท่านตั้งแต่ท่านเกิดมาท่านไม่เคยไม่เคยอิ่มเลยอาหารไม่เคยกินอาหารอิ่มแต่ขนาดอยู่ในท้องแม่ไปเกิดอยู่ในท้องแม่อยู่ในพวกเนี่ยพวกสลัมพวก คนทุกโจรคนจนคนขอทานตระกูลเขาเป็นจัดเจดเป็นโซนโซนะอินเดียสมัยก่อนเขาจัดเป็นโซนโซนขอทานโซนเศรษฐีโซนขราชการโซนไหนตจะโซนไหนแต่ติดสระนี่ไปเกิดในโซนขอทานในตระกูลขอทานมีตระกูล 500- 500หลังคาแต่นในติดสระนี่ลบมาเกิดในท้องของแม่ของตนเอง ออพอมาเกิดแล้วตอนนี้คนจันทานนะในกลุ่มนั้นนะ่ะตะก่อนก็พออยู่พอกินหาขอทานแต่ตั้งแต่ติดชะลงมาเกิดในท้องของแม่เท่านั้นะคนขอทานกลุ่มหนะ้าร้อยนั่ะหาขอทานไม่พออยู่พอกินนะทุกจนลงมาทุกแข่งโหดเอ๊ะทำไมไม่น่ามีมันทําไมมีอย่างนี้เหมือนกับพวกเราในะอยู่ชาวนานะ่ะ ทำไมมันแรงเนี่ยมันฝนไม่ตกเนี่ยเพราะมันเหตุไรฝนจึงไม่ตกเนี่ยมันเพราะเหตุอะไรเนี่ยเราก็หาสาเหตุใช่ไหมบางเคียวว่างูจงอางฟักไข่าบางอะไรบางลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคนในสลัมเขาก็เ อ, อ๊มันเพราะอะไรทําไมมันจนอย่างนี้ไม่เคยมีเอ้าแบ่งกันเขาก็เลยจับฉลากแบ่งกันเหมือนกับจับฉลากทหารเน่ยแบ่งกันเป็นสองพวกคนละพวกละร้อยห้าิ แบ่งกันคนละร้อยห้าสิบพอแบ่งกันเสร็จเรียบร้อยเลยก็ไอคนที่อยู่ที่ไม่ใช่ติดสะไปเกิดเนี่ยเขาก็หาอยู่หา ก, กินล่ารวยปกติแต่พวกนี้ยังยากจนลงไปเรื่อยเอาแบ่งเอกแบง 250, ่งสองอยห้าสิาแบ่งลงไปเรื่อยเรื่อื่อ ย, อยจนรู้จักว่าเออไอเ น, นี่ยตัวจันเนียตัวจันไลตัวอัปรี ตัวที่พาให้หมู่พวกเพื่อนยากจนเอ้าไล่นี้จากหมู่บ้านฮะเขาก็เลยไล่นี้ออกจากหมู่บ้านพอไล่นี้ออกจากหมู่บ้านเน่ยสองผัวเมียนะครับเมียลูกก็อยู่ในท้องฮะเออก็ไปหาขอตั้งแต่ลูกเข้ามาในท้องไปว่าพ่อแม่ก็ไม่เคยอิ่มข้าวเหมือนกันเออผลนี่สุดก็เลยออกคลอดลูกออกมากับเลี้ยงลูกแบบทุรักทุเลทุปัตตุเปเนี่ยโดยความยากจนเน่ะผลที่สุดก็ ลูกนี่กรใหญ่ขึ้นมาพอช่วยตนเองได้อายุห้าหปีแม่ก็เลยโอ้ลูก ơi, เอ้ยพ่อกับแม่เนี่เลี้ยงเจ้ามานี่ยด้วยความทุกข์ยากลําบากเหลือเกินเอาเถอะลูกแม่ให้กระเบื้องขอทานไปหาขอทานกินเองถทนลูกเลยเแม่เลี้ยงใหญ่แล้วไปเถอะลูกไอ้ลูกนี่ยก็ออกจากพ่อแม่ยอายุห้าหกปีไปหาขอทานกินตามลําพัง พักนอนที่ไหนอยู่ที่ไหนเพราะว่าตกพ่อแม่พาข อ, อยังไงก็รู้เรียนรู้ได้แล้วเนี่ยก็ไปหาขอทานพ่อแม่เนี่ยก็พอลูกออกจากอกเท่านั้นแหละล่ลํารวยขึ้นมาอีกทธอเนียเอยหาอยู่หากินคล่องแคล่วได้อีกเออเป็นอนว่าตัวที่ทุกจนก็คือลูกชายคนเนี้ อ, อ่ะผลที่สุดก็เลยลูกชายเนี่ยก็หาอยู่หากินไปเรื่อยทธนี่ยอยู่ในกรุงสาวัตถีเพราะฉนั้นไปพระไปพบพระเลย ไปพบพระภาษารบุตรท่านก็บอกเอ้ยท่านก็เห็นอุปนิสัยถึงยังไงถึงจะทุกจนขนาดไหนก็เถอะมันเป็นพอกกรรมของเขาในอดีตมันใช้กรรมแต่ว่ากรรมดีของเขาในมหาศาลแต่ว่ากรรมชั่วปิดบังท่านบอบวชไม่ติดสะทัวในโอทารพระเดชพวกคุณมีอัร บ, บริขารพวกผมจนเหลือเกินแต่ข้าวจะกะอกหม้อก็ยังไม่มี นะถ้าพระคุณเท่าท่านจะให้บวช ก, ก็ผมก็ยินดีเออเอ า, เ, อาเร้วเราจะหาให้ท่านภาษาลีุ่่ก็หาอัถบริขารให้ก็เลยบวชพ่อบวชเสร็จแล้วกันนะเออเอาเสื้อผ้ากับกับเบื้องขอทานนะเอาไปไว้ที่มุมหนึ่งจากนั้นตัวเองกลับไปบินทบาทตั้งไปแต่งแต่บวชมาตั้งแต่เกิดมานะ่กินอาหารไม่ไม่เคยอิ่มท้องไนงะ เวลาไิปินทาบาท เ, เห็นคนมา เ, เวลาเขาใส่บาทมาใกล้ๆตัวเองเขาก็หมดซักอาหาร เ, เขาพลาดจับไปอยู่ตรงกลางเอพอจุดจับตรงกลางเขาใส่ใส่ส่บาทมา เ, เขาเกิดทำะอะไรมันตกโคลนใช่องตัวเองจะไปยืนคอยว่ะ เ, เดินผ่านไป เ, เขาก็ไม่ได้ใส่บาทใส่บาทองต่อมาทายไปใส่แถวหน้าเขาก็ เปิดกองติบยังไม่ได้ตัวเองไม่รู้จะเฝ้ายืนทำไม เ, เขาก็ไม่เห็นเขาจะมาใส่กระสองค์ที่สองต่อไปตัวเองจะไปยืนเกอร์ในทางเดินเดินต่อไปแปลว่ามันกุกกุก ก, กตกหล่ น, ลนแต่พอยั ง, ยงชีพให้ตัว น, นั้นเองแต่อิ่มไม่อิ่มอันนี้กิตติศัพท์พระติดสะนี่ก็ดังกระช่อนไปทั่ววัดป่าเชตะวันมหาวิหารวัดต่างยพระองค์นี้แต่เกิดมา หมูตักอาหารให้ใส่ในบาทพอกำลังจะฉันก็ลุกกุกา ก, กปอปเท้าตัวเองเป็นดีตีนบาทไหตรงไปเทออกอมันกว่าความปหายไปอีกนะลักษณะอย่างกันแหละสรุปแล้วก็คือไม่มีอาหารอิ่มท้องจนถึงวันหนึ่งกิติศักดิ์โด่งดังไปทั่ววัดป่าเชตวันพระสารีบุตรที่เป็นพระอุปชาที่เป็นพระอาจารย์ได้ยินเขาตายลูกจิตของเราเป็นไงวะ แต่ท่านภาวนานะท่านไม่ได้ลดละในการภาวนาท่านภาวนาจนได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์เลยนะไม่ใช่ธรรมดาท่านได้เป็นพระอาหารหันต์ภาวนาของท่านท่านไม่ได้ลดละแต่ภาษาริบุตรเออเอาเธอติดสะวันนี้เราจะเราจะให้เธอฉันอาหารพอจับขอบบาทเอา้าเราจะจับขอบบาทให้ไม่เธอไม่ต้องจับเธอฉันลูกเดียวอแต่นี้พระอาจารย์ก็จับขอบบาททั้งสองข้างให้ เพื่อไม่ให้มันหลุดนะติดสารได้ก็หลับหูหลับตาห ม, ม่ำอย่างเดียวงั่นแหละอิ่มท้องวันนั้นนะอกินจนอิ่มท้องเพราะอิ่มท้องเสร็จแล้วก็กราบพระอาจารย์เลยนั่งคุกเข่ากราบท่านพระอาจารย์ครับชีวิตของผมเนี่ยมั น, มนทุรักทุเลเหลือเกินกระผมขอหลานิพานครับนะอันนี้ก็คือท่านลานิพานทั้งที่ท่านยังดีๆอยู่นะผมขอหลานิพานครับ คือนิพพานในครั้งพุทธกาลมีอยู่สองอุปาทิเสสนิพานคือนิพพานเมื่อเป็นพระรหันแล้วก็คืออุปาทิเสสนิพานอนุปาทิเสสนิพานคือนิพพานคือเข้าสู่นิพพานดับธาตุขันคือตายตายหนึ่งพระรหันตายในว่าอนุปาทิเสสนิพานถ้าพระรหันได้สําเร็จเป็นพระรหันเมื่อได้บรรลุธรรมแล้ว่าอุปาทิเสสนิพานนิพพานมีอยู่สอง จากนั้นผมขอลาอขอลาพระอุปชาอนุปาทิเ ส, สนิพานนะครับภาษาเรียบง่าเออไปตามการอันควรเธอตามการอันควรเธอหน้าติดสะนะครับผมจากนั้นพระองค์ท่านโอบท่านก็ไปแล้วก็นั่นแหละนิพานไปเลยแบบนอนหลับไปเลยแล้วอะไรก็ไม่รู้ ก, กับท่านละแต่ว่าปฏิสนิพานนะนี่นนะนแหละอันนี้ก็คือตําราที่ท่านพูดไว้แต่ท่านทําไมจึงทุกโจนขนาดนั้นเออ ทำไมถึงทุกข์จนกรรมอันไหนที่ท่านได้ทำถ้าท่านก็ได้ทำกับพระอาหารหันเหมือนกันนะคือพระทำไมก่อนท่านบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะท่านอยู่องคเดียวในป่าอยู่ในวงเดียวในป่ า, ปาและมีพระอาหารหันไปเยี่ยมเดินไปฐานเดินผ่านเดินทางผ่านไปไปก็เลยไปแวะไปแวะวัดท่านแต่ในวัดของท่านนะมีโยมอุปถากที่เป็นคนร่ารวย ดูแลอุปถัปภะท่านก็อยู่แบบสบายและพระองค์นั้นพระติดสัมัยบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปนะท่านก็อยู่องค์เดียวเศรษฐีในละแวะกนะั้นเป็นคนที่ร่ํารวยเขาก็บบทนิบัติท่านแบบสบายๆท่านกับภาวนาของท่านบําเพ็ญของท่านแต่นี้มีพระอรหันต์ท่านหนึ่งท่านก็เลยไปแวะเยี่ยมพอไปเห็นไปแวะเยี่ยมกับท่านเลญาติโยมคนที่ ดูแลวัดเห็นพระองค์นี้ผมยาวเพราะอะไรเพราะท่านไปเที่ยวป่ามาโอ้พระคุณท่านผมยาวเดี๋ยวผมจะเอาอช่างปองผมมาปองผมให้ครับแล้วก็เนี่ยท่านบริขารของท่านก็ขาดเดี๋ยวผมจะเอาผ้าจีวรมาถวายครับบริขารของท่านขาดเหลืออะไรบ้างครับท่านคือท่านองค์นี้คือพระหรันท่านที่ใสเรียบร้อยอโยมเห็นกัเกิดศรัทธาเลื่อมใส อย่างสุดๆแล้วก็พร้อมกันกับพระคุณท่านครับวันพุ่งนี้ก็ผมขอเนี่ยมลไปฉันที่บ้านของผมนะกับพระที่เจ้าอาวาสอยู่ในวัดนี่แหละไปด้วยกันครับผมกับผมจะเตรียมอาหารรองรับทั้งทั้งสององค์ครับแต่องค์ที่อยู่เป็นสมภารวัดเนโมโหในใจว่าอิดฉ้าวนันไปโอ้ถ้าหากว่าพระองค์นี้อยู่ในวัดเโยมอุปถาคนนี้กับคงจะ นับถือเลื่อมใสกับพระองค์นี้มาก เ, าเราก็คงจะเป็นเบี้ยล่างไปละ เ, เขาคงจะมองไม่เห็นหัวเราละงานนะ่ะคิดพระองค์นี้นะคิดในใจแต่เนี้ก่อในความอิจฉาอยู่ในใจนี่เลยเพระองค์นั้นกัพระเทระที่มาที่พันเปินพระหรหนะันท่านกขามาท่านก็พักพอพักกลางคืนพระองค์นั้นก็คิด เ, เหมือนกับไฟนะ่ลุกโผล่อยู่ตลอดทั้งคืนนะอท่านพระ เทระในท่านเป็นพระอรหันต์ท่านมองดูโอถ้าเราอยู่ที่นี่นานพระองค์นี้คงจะสร้างบาปกรรม อ, อ, อ, ยอย่างหนักเราคงจะหนีหนีไปดีกว่าเพื่อไม่ให้เขาเป็นบาปกรรมเพราะเขาคิดอยู่ทั้งคืนเลยเขาตกกังวลเขาอิจชาอยู่ตลอดเขาจะวางแผนว่าจะไล่เราอย่างไรเ อ, อพระอรหันต์ท่านก็นดูกลางคืนพอถึงจวนสว่านท่านก็เลยเหาะไปเลยเพราะท่านมีอิทธิฤทธิใช่มท่านก็เหาะหนี พ่อหอนีเทนี้พระองค์ในพกเจ้าอาวาส เ, เจ้าของถิน่นเจ้าของวัดเนี่ยก็เลยถ้าหากว่าเราไปบอกว่าอ๋อในบอไปบินธบาตรครับท่านอาจารย์แล้วกูบาครับ เ, เดี๋ยวองค์นี้มันได้กินอาหารดีๆของโยมหรือมันก็จะติดอกติดใจอยู่ที่นี่เราไม่ควรจะบอกอแต่เราก็ไม่ควรจะทําให้ผิดศีลถ้าญาติองคเขาถาม เ, เราก็คงจะบอกเขาได้ พอในสุดก็เลยพอได้เวลาแล้วก็เดินร่อมๆๆไปกุฏิกุฏิพระอาคารทุ ก, กะที่มาพักนะก็เห็นเงียบอยู่เพราะท่านนีเลยนะก็เงียบเยสิใช่ปิดประตูเงียบพระอเค์นีก็เลยถ้าเอาว่าไปตีละคังใช่ไหมตามมุขติเวลาจะบินธบต้องตีละคังเคาะละคังก่อนเอาคอนคอนละคังแป้งแป้งแป้งแป้งแป้ ง, ป ง, ปงบอกกตีละคังแล้วก็ไปบินธบด้วยกันแต่อันนี้ ไอ้พระองค์นี้ไปเห็นกุฏิเงียบถ้าจะเคาะระครังกับกลัวองค์นั้นจะได้ยินคงจะไปด้วยกันไม่อยากจะให้ไปคก็เลยเอานิ้วมือขีดดีดระครังแคฟังเลยิไอ้ไอ้ความไอ้ที่ว่ากุสโลบายไม่ใช่ธรรมดานะศรัทธาญาติโยมนะเอานี้มือตีระครังป่องป่องป่องป่อป อ, อ, อค่อยๆ เ, เสร็จแล้วก็ไปปีนทะบาท ล, ละตัวนี้ตัวเองไปละไปก็ไปบ้านโยมโยมก็ถามฮ เอาพระคุณท่านพระที่ท่านมาเมื่อวานเนี่ยท่านไม่ได้มาด้วยเลยโวยพระโคโลโกโศที่ไหนก็งไม่รู้นอนยังไม่ตื่นเนี่ยอไปกัอาตมาเคาะระครังก็ไม่ได้ยินเดี๋ยวยินแล้วนี่มือเคาะใช่ไหมล่ะเออเคาะระครังก็ไม่ได้ยินไม่เห็นมาอาตมาก็เลยมาองค์เดียวนี่แหละองค์นั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้นอนไม่ตื่นพระโคโลโกโสที่ไหนก็ไม่รู้มานี่ยทั้งญาติโยมผู้เห็นโอ้ ผมเห็นในกิริยามารยาทของท่านพระองค์นี่น่ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระที่ ม, มีคุณธรรม ท, ทีเดียวเลยการพูดจาพาทีกิริยามารยาทสวยงามเพราะว่าเขาเป็นผู้มีปัญญาแห่ง ม, มองเห็นท่านโลเลยว่านี่คือพระแท้พระแท้พระจริงเอาเถอะพะควรท่านเมื่อท่านไม่ได้มาท่านอาจจะเหนื่อยมั้งท่านเดินทางผมขอฝากอาหาร ไปถึงท่านด้วยนะพอท่านท่านอาจารย์ฉันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผมขอฝากหอ่อหอไปด้วยใส่ในบาทไปถวายพระที่ท่านมาเพราะท่านเดินทางไกลท่านคงจะหิวกระหายเหนื่อยผมขอฝากไปถวายท่านเนะเกลียดใจเขาเถอะปฏิเสธก็ยังไงก็ได้รับพอรับก็มามาถึงกลางทางเถนี่มาถึงกลางทางถ้าให้พระองค์นั้นกินอาหาร ดีๆอย่างนี้เดี๋ยวมันจะไม่หนีจากวัดของเราอลยล่ะ เ, เราไม่ควรจะให้พระ อ, อ, องค์นี้ยัดตรงนันเททิ้งไปพอมาถึงกลางทางก็เลยเททิ้งอพอมาเททิ้งอาหารแล้วกัเดินเข้าวัดเพราะไม่อยากจะให้องค์นิฉันอาหารดีๆที่ญาติโยมถวายพอเข้ามามาเข้ามากับมาดูดูกุฏิหายเงียบไปไม่เห็นพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็เลยโอ้ ก็เลยไม่สบายใจโอ้พระองค์นี้ไม่คงไม่ใช่ธรรมดานะท่านคงเป็นพระอรหันต์ท่านคงรู้อดีตอนาคตปัจจุบันทุกอย่างท่านจึงได้หนีไปก็เลยไม่สบายใจนั่นแหละเพราะท่านเบียดเบียนพระอรหันตะ์ดูถูกนะในท่านบำเพ็ญบารมีอยู่ถึงสองหมื่นปีจากนั้นท่านก็ได้ตกนรกพอตกนรกขึ้นมากนะี่ มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะแต่อันธิสงหรือว่าการบําเพ็ญของท่านมีอยู่พอท่านมาเกิดเนกรรมปิดบังฮะกรรมที่ท่านได้ทํากับพระอรหันต์เนี่ยบินตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนตลอดเลยนี่แหละบาปตัว น, นั้นแหละกรรมตัว น, นั้นนะใช่ไหกรรมชั่วอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดดีกว่าเมื่อทําลงไปแล้วตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งอันเรื่องที่2ก็คือพระในกรณียเมตสูตรท่านไปบําเพ็ญอยู่ในป่าผีหลอกอยู่ในป่าภูมิเทวดาหลอกพระสงฆ์ทั้งหลายหนีออกจากป่าไปกราบทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าได้ให้สวดกรณียเมตสูตรกลับมาเทวดาเลยเป็นมิตรเป็นสหายและก็มีโยมอุปถา เป็นคนโอ้เป็นโยมผู้หญิงนะเป็นผู้ใหญ่บ้านกันดูแลพระสงฆ์อย่างดีพระสงฆ์ก็เลยได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลท่วนหน้ากันแตนี่ยเขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปกราบทโอ้เรออุบาสิกาคนหนึ่งดีมากรู้จักเรื่องของพระดีพระนึกคิดเรื่องอะไรเขารู้หมดมีหลวงตาองค์หนึ่งหลวงตาองค์หนึ่งกําลังนมนม ก็ไม่ตาไม่ใช่ตาแก่ตาหนุ่มประมาณสีสาี่ิบปีเอมโยมผู้หญิงคนนี้เป็นใครวะทำไมเก่งนักรู้เรื่องรู้เรื่องของพระในว่า เ, เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่แถวไหนที่วัดเนียพระจำนวนนั้นก็นเล่าให้ฟังบอกว่าอยู่แถบแถบนั้นน ะ, นะถ้าอย่างนั้นผมจะไปภาวนาเออเ อ, อเอาไปได้ปรจจุบัพระองค์นี้ก็เลยเข้าไปกราบลาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเออเอาไปไปภาวนาดีแล้วภาวนานะครับผมตรงตาเด็กไปองค์เดียวเลยนะบินเดียวเลยไปทุดงพอไปก็สมมุติว่าบ้านที่พระองค์นั้นมาภาวนาอยู่อยู่ที่นาคำน้อยเนี่ยนะแต่นี่พระองค์นั้นก็เดินทางมาถึงบ้านสว่างนะสมมุติว่านะมาถึงว่าโอ้ยโยมผู้หญิงเอ้ย ที่ว่าดูแลอุปธรรมประถาเนี่ย น, น, นะวัดจะรู้จักเรื่องของพระอดีตอนาคตพระนึกคิดเรื่องอะไรรู้จักนะอาตมาเดินทางมาเหนื่อยขอให้โยมจัดเสนอาสนะคอยรับอาตมาโดยเถิดแล้วก็ปัดกวาดทําความสะอาดอาตมาไปถึงก็คงจะปัดกวาดไม่ไม่ไหวแล้วเหนื่อยขนาดนี้ขอให้โยมดูแลแห่วัดดูแลที่พักพ้าอาศัยของอาตมาโดยเถิด คิดในใจนะคิดอยู่นูคิดอยู่บ้านสว่างเลนะพอมาถึงวัดนาคำน้อยที่พักพาอาศัยเรียบร้อยหมดเลยทเนี่ยโอ้เออไม่ใช่เจอของจริงเละๆในนึกในใจนะก็ไม่ว่าอะไรแต่นี้ก็ตอนชะพอนอนอนะกลางคืนมาออก็เลยบอกโอ้โยม อ, อ, อุปถัมปถากวัดอาตมาเดินทางไกล ถ้าได้ข้าวต้มก็จะดีเพราะว่าจะได้นั่นอ่ะกินทานอาหารข้าวแข็งแข็งคงไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินเดินทางมาหลายวันขอให้โยมถ้าเป็นไปได้โยมรู้จักอดีตอนาคตจริงก็ขอให้โยมต้มข้าวให้อัตมาโดยเธออัตมาต้องการข้าวอ่อนๆเย็นข้าวอ่อนๆข้าวต้มแต่ในโยมผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงคนนั้นเขาก็ต้มข้าว ถ้าไหวาอ้าวไม่ใช่ของจริงละเหอเนี่ยพอต่อมาอยู่อยู่ที่นั่นเยนึกคิดเรื่องอะไรเนี่ยโยมผู้หญิงคนนั้นรู้จักหมดเห็นไหอต้องการอะไรจังโอ้คงไม่ได้ไรรลุตาตายตๆยตถ้าเราขืนอยู่ที่นี่ต่อไปเนี่ยเหมือนกับเขารู้จักเราหมดตายเราเป็นปุถุชนเนี่ยจะไม่ให้คิดถึงพุโทโธจะตรอดได้เลยเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เราหนีไปก็เล่นปลา อ, อุบาสิกา้าอาตามาจะอจะลาแล้วไนดะ้เอาทํามพระไมพระคุณท่านไม่ต้องไปเราอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวโยบจะดูแล้วอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าแตอาตามาไม่สบายใจเลยไม่สบายเยอะเลยอยู่ที่นี่เลยแล้ก็เลยแผ่นแหนบนะไปกาบพระพุทธเจ้าไปถึงวัดป่าเชตตะวันพระอต้งก็ถามว่าอ้าวทาไมเธอกลับมาทําไม โอ้ไม่ได้พระเจ้าข้าเนี่ยข้าพระองค์ไปอยู่ที่นั่นจริงอย่างจริงอย่างพระพูดขขาวขอนจริงๆเหมือนข้าพระองค์เนี่ยเป็นขโมยเขาเป็นตำรวจอย่างนั้นนะข้าพระองค์คิดอะไรเนี่ยเขารู้จักหมดคิดอะไรรู้จักหมดเพราะนั้นข้าพระองค์อยู่ไม่ได้เพราะข้าพระองค์เป็นขโมยเขาเป็นตำรวจเไล่จับข้าพระองค์ตลอดพระองค์เอ้ยพระอยู่อย่างนั้นแหละจะได้กำลังไป ไปเลยอย่าไปคิดทางอื่นเลยไปข่าวนี้ให้ภาวนาอย่างเดียวเลยให้มีสติสัมปชัญญะไม่ต้องนึกคิดไปทางอื่นนึกคิดเรื่องอะไรให้มีสติสัมปชัญญะก็ต่อเมื่อยืนเดินนั่งนอนไม่ต้องคิดไปทางอื่นอยู่กับให้มีสติอยู่กับอริยบทนะไปกลับไปไม่ต้องคิดนั่นแหละจะได้กําลังพระเอานังอเลยพระพุทธเจ้าขู่บอกแถมบังคับอีก ท่านก็เลยจำเป็นจำใจใหม่พอเข้ามาที่นี่ท่านกอดตั้งแต่เข้ามาเลยตั้งแตสติอยู่กับตัวเองไม่คิดไม่อะไรทั้งหมดเลยท่านนี้สติอยู่กับตัวเองตลอดเลยไม่ปรุงไม่ฟุ้งออกไปทางนอกไม่คิดถึงใครทั้งหมดสติอยู่กับตัวเองตั้งแต่ก้าวออกมาเข้าไปในป่าดงนั้นว่างั้นไงตอนนท่านก็อยู่ในอยู่ที่นั่นทางอุบาสิกาคนนี้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่ก็โอ้พระเทระทานนี้รู้สึกว่าได้รับทำคําสอนจากพระพุทธเจ้ามาแล้วท่านเป็นผู้สงบเป็นผู้สงบจริงๆทีนี้ท่านเน่งดูใจตลอดพอวันหนึ่งเลยพอนั่งภาวนาใช่ไหมพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ดูใจของท่านเาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายใครใจของท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหัส ท่านเจบทําเลยเป็นพระหรหันด์เสร็จแล้วท่านก็ออืโอ้เราเลยจบจบกิจ菩าสนาแล้วก็เลยพร้อมมองตัวเองเสร็จแล้วก็เลยมองดูโยมโอ้โยมอุปถา g อ e มีพระคุณกับข้าพเจ้าจริงๆถ้าไม่ได้โยมดูแลอุปถัมประถากเนี่ยข้าพเจ้าคงจะไม่ได้สําเร็จแต่ข้าพเจ้าได้สําเร็จในครั้งนี้ได้สําเร็จเป็นพระหรหันด์ถึงฝั่งแล้ว เพราะโยมคนนี้จริงๆผู้ใหญ่บ้านได้ช่วยข้าโอ้เป็นผู้มีบุญคุณกับข้าจริงๆเขาได้ทำอะไรหนอกับข้าเนี่ยแต่เด็กกระนึกดูชาติที่แล้วคือญาติที่แล้วเนี่ยเคยเป็นพรรยาชาดก่อนกับเป็นพรรยาพอไปถึงชาติที่ร้อยพอถึงชาติที่ร้อยนับนับจากชาตินี้ไปถึงชาติที่ร้อยเมียตัวเองข้าตัวเองบาเนี่อ เมียเมียผู้ใหญ่บ้านเนี่ยว่างั้นเถอะฆ่าตัวเองพอไปฆ่าตัวเองเลยฉันรุน่งเลยโห้ไม่ใช่มีคุณอย่างเดียวมีโทษด้วยนี่วะฆ่าเรานี่วะว่างั้นแต่ทั้งที่เป็นพระหรหันต์เนี่ยังยังอันนั้นอยู่นะยังตื่นอยู่ว่างั้นเถอะทางอุบาสิกาที่อยู่ที่บ้านเขาได้เป็นพระอนาคามีดะเขาได้สาเร็จเป็นพระอนาคามีเขาก็รู้อดีตอนาคตปัจจุบันเหมือนกันรู้หมดทุกอย่าง ขณะนี้พระองค์นี้พระเถระองค์นี้กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่พอคิดๆไปจะดุ่งนางอุบาสิกานั้นก็บอกว่าท่านเออท่านต้องคิดไปถักไปไปชาติที่เ9้ส้ดูซิที่ชาติที่ร0 0ใช่เออเราเออเราได้ฆ่าท่านแต่ไปคิดที่99ท่านไปคิดต่อไปอีกที พอคิดไปโอ้ใช่เราฆ่าเขาก่อนว่ะ เ, เราฆ่าแม่บานของเราเองเอพราะนั้นชาติต่อมาเขาเลยฆ่าเขาเช็คบินคืนฆ่าโอ้ใช่เอาเอาอุบาสิกาเกมๆกันนะจบๆกันนะเรานะจบนะจบนะบนะอาตมาได้จบแล้วนะ อ, อุบาสิกาค น, นท่านก็จะเป็นพระอนาคามีแล้วเอะเออไม่เป็นไรพระคุณท่านยินดีให้อภัยท่านก็จบไปแล้วนี่เป็นพระอรหันต์แล้วนี่จบแล้ว เออถ้าอย่างนั้นก็อาตมามองดูแล้วอาตมาคงจะไม่ได้สั่งสอนใครเออมองแล้วก็จบแล้วแหะไม่ได้แนะนําสั่งสอนใคราาานะอาตมาลานิพพานนะเนออุบาสิกาเนออาตมาลาอนิพพานก่อนแล้วเนะเออไปตาการอันควรของท่านเถอะพระคุณท่านจากนั้นท่าก น, นก็ลานิพพานอนิพพานเลยในคืนนั้นเลยอันนี้ก็คือพระหรหัน พาาระอรหันต์ที่จะนิพพานได้เนะี่ยต้องพระอรหันต์มีอยู่สี่จำพวกสุ ข, ขวิปัสสโก อ, อ, อันหนึ่งเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปโตนพระอรหันต์มีอยู่สจําพวกแต่สุ ข, ขวิปัสสโกเนี่ยไม่มีอิทธิฤทธิเพียงจะรู้ว่าตัวเองได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจบหมดกิเลสภายในใจแล้วจบอันนี้วัด สุ ข, ขวิปัสโกเตวิชโชสละพินโยปฏิสัมพิทัพปโตรพระหานเจสามจำพวกเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เหาะเอินเดินฟ้าได้รู้จักอดีตอนาคตปัจจุบันนี่แหละประเภทสามจำพวกหลังเนี่ยนะท่านจะท่านจะเข้าสู่นิพพานเนี่ยท่านจะเข้าได้ท่านจะละขันท่านทิ้งเลยทิ้งพาชนะดินไปรับพาชนะทองคำ อันนี้แหละคือท่านทิ้งภาชนะกินคือทิ้งขันห้าพาลาฮาเวปัญจักขันฐานขันทางห้าเป็นพระอรหันักท่านทิ้งขันห้าทัชท่านก็ไปถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นของท่านอันนี้แหละคือพระอรหันต์เป็นไปได้ที่ท่านจะทิ้งธาตุทิ้งขันในเมื่อท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหรอันต์เชตชวิโชสละเิญโยปิสัมปิโตปิสัมพิทปัปโต นอกจากนั้นเน่ยหลวงพ่อว่ามันจะเป็นอัลลหันเน่ยอัลลหันซ้ายอัหันขวาอัหันหน้าอัหันหลังหันไปเรื่อยเลยถ้าญาติโยมมาเอาถวายปัจปจุปปัจจัยถวายปัจจัยพระคุณท่านก็หันไปรับเท่านั้นถ้าเขาดานะ่าก็หันไปอีกทางหนึ่งเลยลักษณะหันอย่างนั้นมากกว่านะพราะนั้นขอให้พวกเราฟังฟังเอาไว้นะทุกวันนี่ อรหันเยอะและเกินหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังเออพอท่านคอยพวกเราฟังเอาไว้แต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาพระอรหันนีมีจริงพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ไว้ตัดไว้แล้วนะสุปฏิปนุชยยะสามีจิมีในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในวันที่หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดให้กับคณะสัตยาญาติโยมฟังหมากหลากหลายนะ เป็นแนวความคิดนะอันนี้คือพวกเราจะต้องทําไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพวกเราจะเฉลียวฉลาดได้อย่างไรเพราะนั้นหลวงพ่อพวกเราท่านทั้งหลายมาสู่วัดวาศาสนาสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์สิ่งไหนจะเป็นความรู้หลวงพ่อก็พยายามแนะนำบอกกล่าวเรื่องเราให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อการศึกษา ถาต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร น, ะนะันน่ะนี่นะรับพร